Assalamualaikum า a r a ah ตุ a t u l l a h i wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาประสบแด่พี่น้องนะครับที่มาเรียนกุรานทุกๆ ท, ท่านเลยนะอัลฮัมดุลิลละนะครับหลายๆคนก็มีภารกิจนะครับ ที่สำคัญสําคัญนะแต่พวกเราก็สละเวลาตรงนี้มาเรียนนะครับแล้วก็ผมเองก็มีภารกิจเหมือนกันนะก็ฝากพี่น้องช่วยขอดอวยให้ลูกสาวด้วยนะครับตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะปอดยังบวมอยู่นะครับโรคโรคทางเดินหายใจอะไรสักอย่างหนึง่ง RHV อะไรสักอย่างหนึ่งนะเด็กๆเป็นเยอะเด็กๆเป็นเยอะ ใช่ครึ่งครึ่งโรงเรียนเป็นกันติดกันหมดเลยแล้วก็เมื่อวานไปเยี่ยมลูกตอนเย็นก็ลูกอาจารย์รอมฎอนค้ายจอรอมฎอนพวงพาการหอใชรอมฎอนพวงพกาที่อยู่ที่เสื่อันะบเป็นเหมือนกันหนักกว่าชั้นด้วยลูกเขาตัวเล็กอยู่ห้องเดียวอยู่ห้องรวมกันหมดเลยที่โรงพยาบาลหนองจอกอมไม่สบายหลายหลายคน มันมันเป็นโรคสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่าห้าปีเขาเรียกว่า RSV uh, เป็นโรคทางเดินทางหายใจครับคือมันจะมีสามโรคนะโควิด uh, แล้วก็ไข้เล็ดไข้เล็ดออกเลยอันหนึ่งก็ไอ้นี่แหละไอ้สามโรคนี้นะถ้าเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลกินยาอยู่บ้านไม่ได้มันเอาไม่อยู่มันแรงต้องไปไปไปพ่นยาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชือ้อนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะ ประมาณสัปดาห์หนึ่งถึงจะออกจงองหวัดพวมปลากานะเรามาตอนพวมปลากาเป็นตัวเล็กเมื่อวานไปเยี่ยมกันเจอที่ห้องก็แต่ของแกแย่กว่าเพราะว่าเขายังพึ่งยังเด็กอยู่เลยของฉันมันสามขวบแล้วไงช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะก็ขอดูอากันโรคเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันแปลกๆเนะาะจ้าเอ อ, เ, อเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกุฎอ่านกันนะครับอายะที่แปดสิบสองแปดสิบสองนะ เดี๋ยวก่อนอื่นก็เริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อนนะครับอัลอฮฺบิลเลห์มีนัชชัยตอนิร์จีบิสเหมลล์ฮิลลอห์มานิลรอฮีมอัลฮัมดุลลิลลอฮฺรับบิลอาลามีน อัลลอฮ์มานีอัลราฮีมม ال ิก يوم ิดดินอียังกะนับดูแลอียังกะนสต ع ي ن อิห์ดีนั้ลศรัตัลมุตสติมศรัตัลที่นันอันมต์ عليهم ไร่ร์ลมาดูบัย عليهم ولو ضالٍ อา ي ن أعوذ ب ا ل บ ه ล ن ا ل ش ม ط น ن ช ل ر ج ي م น ع و ร بالله من الشيطان الرجيم أفلا ต ت د ب ر ร ن ا ل อาฟ ن ลยตดบรนุ ว่าโลกันมิ่ و ดิกริละแล้วจดุฟิหัตลาฟันคาฟีรอ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوبه و إذا جاءهم أمر من, من الأمن أو الخوف أذعوبه ا ว่าแล้วรดดูเขอิลรว้ออริมิหมรดอิและอุลิลแอมน ت َ ب ِ ط ُ و ن َ ه ُ مِنْهُمْ ل َ ع َ ل َ م َ ه ُ ا ل َّ ذ ِ ي ل َ ي َ س ْ ت َ م ْ ب ِ ي ط ُ و ن َ ه ُ مِنْهُمْ وَلَوْلا َ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ วะร่ำมัตุห์ละตบะตุมุชชัยตานั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นันั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นนั่นั่นั่นั่นั่นัั่นั่นนั คำว่าแตดับบุรนะครับจะใช้กับอัลกุรอานนะเขาเรียกว่าการคร้ครวนนะอ่านแบบไข้ครวนนะอย่างที่พวกเราอ่านนี่แหละครับอ่านแบบไข้ครวนเพราะเราเรียนอะไรด้วยเราเรียนความหมายด้วยนะเราเรียนความหมายถึงสิ่งที่กุรอานนั้นได้บอกกับพวกเราด้วยอลัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาไม่พิจารณาดูคาพีกุรอานบ้างหรือนะครครวนพิจารณานะครับ หมายถึงความหมายของอันกุรานเนี่ยนะหรือเรื่องที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยวะลาอูกาณามินอินดีกอยริลลาและหากว่าอัลลอฮ์และหากว่าอันกุรานนี้เนี่ยมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วละก็แปลว่ามาจากการที่มนุษย์แต่งขึ้นประพัน์ขึ้นซึ่งแน่นอนนะว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมเนี่ยท่านเป็นคนที่อ่านไม่ออกและก็เขียนไม่ได้ นะแม้กระทั่งชื่อของท่านนะท่านก็เขียนไม่ได้ฉันใช้การปั๊มนะครับท่านจะมีแหวนนะครับที่เป็นเหมือนกับตาประทับเป็นพระนามนะโมฮัมมัอะโมฮัมมัดุรอสุลลลอฮแล้วก็ปั๊มไปที่เอกสารเพราะเวลาที่ทําสนสัญญาในสมัยตอนที่นบีอยู่เนี่ยจะมีคนที่เป็นคนเขียนสนสัญญานะปกติอย่างพวกเราไม่ต้องอะไรมากเนะี่ยคนที่ไม่รู้เชิงสือสมัยก่อนเนี่ย เขาก็ใช้ปัม๊มนิ้วมือปัมปอป๊มโป่องอ่าเพราะว่าให้เขียนชื่อเขียนไม่เป็นน่ยนะรู้ตัวเองชื่ออะไรแต่เวลาให้เขียนเขียนไม่เป็นอ่านก็ไม่ออกด้วยที่ที่ให้ไปไปปั๊มโป่งเนี่ยต้องมีคนอ่านให้เห็นนะนะดังนั้นการที่จะมากล่าวหาว่นนาท่านนบีเนี่ยจะแต่งกุรานขึ้นมาเองเนี่ยเป็นไ ป, นปนไม่ได้เลยในสังคมในยุคนั้นเพราะว่าท่านนบีเป็น ท, ที่ทราบกันดีว่าเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาเรียกอุมมียิน นะอุมมี่อุมมีแปลว่าอะไรอุ ม, มีแปลว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับซึ่งเฉพาะนาบีเท่านั้นนะที่ให้นำละหมาดได้ถ้าเป็นคนอื่นที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อันนี้นำละหมาดไม่ได้นะอันนี้เป็นเงื่อนไขของตตอิมัมโตอิมัมโตอ่านกุรอานเป็น แต่ถ้าอ่านกูด่านไม่เป็นมานํากูด่านไมมาอ่านนำละหมาดไม่ได้เอ้าอาจารย์แล้วเขาเขาก็ต้องอ่านได้สิอ่านได้จากการท่องเนี่ยแต่อ่านไม่ได้เนีออกไหมถ้าสมมติจะให้คนเนี้ยมาเป็นอิหมัมนละหมาดเนี่ยเปิดกูด่านอ่านให้ฟังดิอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ไปอิหมามนำละหมาดไม่ได้มีเงื่อนไขยอยู่คนที่จะเป็นกูด่านคนที่นําเป็นอิหมัมต้องเป็นกอรีแปลว่าต้องอ่านกูด่านเป็นแล้วคนวอนลาฟเนี่ยบางทียังอ่านกูด่านไม่เป็นนะอย่าเพิ่งให้เขาเป็นอิหมัมเข้าใจไหม ใช่เป็นอิหมัามนำละหมาดไม่ได้เพราะเป็นไม่ได้เป็นกอรีไงถ้าอ่านไม่ได้นะอ๋อทองจ้าก็ท่องได้บางคนอ่านฟอดีฮ่าได้แต่อ่านจากจากเล่มไม่ได้ อ, ะอ่ะอ่าอันนี้เขาอาจจะรวมถึงอิหมั่มเนี่ยอิหม่่มนำละหมาดมัสยิดนะ่ะอ่าอิหม่่มนําละหมาดมัสยิดนะ่ะซึ่งมันต้องมีคุณสมบัติในการอ่านกุร์านที่ดีไนงะถ้าอ่านไม่ได้เลยจะเป็นได้ไง อ, ะอ่ะอ่าแต่คราวนี้ตามด้วยมารยาทเนี่ยเราก็คงไม่ได้ถามหรอกบ้างอ่านกุร์าน ได้ไหมก็ให้เป็นกันไปในเละแต่ถ้าสมมติเรารู้เลยเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่อ่านกูดานเป็นแล้วก็เขาจะขึ้นมาเป็นอิหมัมต่อให้เป็นละหมาดอ่านอ่านอ่านข้อยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าบ้างเป็นมุมนะฉันเป็นกอรีไปเขาบอกกอรีฉันอ่านกูดานเป็นให้ฉันเป็นไม่ใช่ยังอ่านกูดานเพิ่งรับอิสลามเมื่อวานเป็นอิหม่ัมเลยเราก็งงแล้วอะไรยังอ่านกูดานไม่ได้เลยเป็นมุมก่อนอ่านี่คือเงื่อนไขของการอิหมามอ้าวต่อมาว่าเรากาน่ะมินเอนดิล่ะ และหาว่าอันกุรานนั้นมาจากคนที่ไม่ใช่อามาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วเราก็แล้วว่าจะดูฟีฮิกตีลาฟันกาซีรอแน่นอนพวกเขาก็จะพบว่าในกุรานนั้นมันมีข้อขัดแย้งกันอย่างมากมายนะคราวนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันกุรานนั้นเป็นสัจธรรมอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตายแลตัดใช้ให้พวกเขาพิจารณาดูคําเพี้ยนกุราน และห้ามไม่ให้พวกเขาหันเหออกจากอันกรานให้พิจนาหาความเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งซึ่งคำของมันนั้นเป็นสานวนโดยพระองค์นั้นได้บอกให้เราทราบและไม่มีข้อขัดแยงด้งใดๆและไม่มีการคุมมคือไม่ข้านกันนะคราวนี้มันจะมีอยู่กรณีหนึ่งนะกรณีหนึ่งก็คือว่ามีรายงานจากอิหมั่มอามัดได้รายงานมาจากอามอิบนูชุเ จากบีดาของเขาจากปู่ของเขาว่าความจริงเนี่ยน้องชายของฉันเนี่ย น, นั่งอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเอาอูดสีแดงเนี่ยมาแลกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะสละที่ตรงนั้นเลยแสดงว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่มีความสาคัญมากและเขาก็กาวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันและก็น้องชายฉันเนี่ยมาถึงก็เห็นบรรดาโอบะมาออกันอยู่ที่ประตูบ้านของท่านอัสลุลลอฮลลัลฮลฮัลลัม พอเราก็ไม่อยากจะเดินฝ่าไปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อายุอาวุโสผมพูดยังไงผมเปลี่ยนสีแล้วเป็นเรายังเป็นเด็กอยู่จะไปเดินตัดหน้าผู้ใหญ่มันก็ไม่เหมาะสมก็เลยนั่งลงมุมหนึ่งนั่นแหละเขับไปไปแย่งที่หรือเข้าไปปอขณะนั้นเนี่ยพวกเขาก็พูดคุยถึงอายะกุรานหนึ่งแล้วก็ถกเถียงกันเสียงดังเลยท่านรอซูลจึงออกมาในสภาพที่ ท่านเนี่ยมีความโกรธสังเกตได้เลยว่าหน้าของท่านเนี่ยเป็นสีแดงและท่านก็เดินมาแล้วก็เอาดินเนี่ยปาใส่หน้าคนที่กําลังวิพากษ์วิจารณ์คุรานเห็นไหมกุรานเนี่ยมันขัดกันเนี่ยอาย่านี้ลงมาคือไม่มีความรู้และพูดไปเรื่อยต้องการจะปั่นต้องการที่จะสร้างข่าวที่ไม่ดีนะครับในในอะไรนะ ให้ให้ปันปวดนั่นแหละเสร็จแล้วนบีก็โกรธพวกนี้นะแล้วก็บอกว่ามลายาเก้ามีช้าก่อนโอ้กลุ่มชนเอ๋ยอย่างนี้แหละบีฮาザอัลลิกาตินอุมัมรู้ไหมว่าประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยก๊อบลกกุ้มก๊อบหลีกุ้มมันเคยพังพินาามาก่อนหน้านี้แล้วประชาชาติก่อนหน้าเนี่ยบีอ็กตีลาฟีหิมอาลาอัมบียอีหิมโดยที่พวกเขาเนี่ย เห็นขัดแย้งกับนบีของพวกเขานาบีใช้ธรรมอีกอย่างห น, น, นึ่งไอรรมอีกแบบหนึง่งนะอันนี้คือความหายยนะของกลุ่มชนก่อนหน้านี้ไม่ต้องอะไรมากนาบีมูซาพวกเยฮูดเอ้ยเผลอแป๊บเดียวไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะดื้อกับนบีของพวเขาก็หายยนะสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็ลงอาดา่าแบบจัดการแบบเด็ดขาดเลยนะอย่างเช่นเกามุนลูดอ่าเกามุนลูดเกามุล ส, ส, สมูดพวกพวกเนี้ยพวกเนี้ยเป็นอาหรับ โบราณที่ศูนย์พันไปเลีว้วพอร์ลจัดการหมดเลยถ้าไม่0ูนยพันก็ยุ่มกันนะพวกนี้นี่สูงเท่ากับตึกกี่ชั้นไม่รู้อะพวกอาดตัวบเบ้อร์อเลยอตนนี้ตัวใหญ่มากนะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าอัลลอ์จัดการหมดเลยนะกิจหมดเลยนะครับเพราะว่าไปขัดแย้งกับนนะบีวะดารบบีฮิมุลกุตุบบะบฮาบีบาแลวนบียังบอกต่อว่า การที่พวกเขาเนี่ยหยิบยกบางส่วนจากกุรานแล้วก็จ้องมาเอาส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยให้มันขัดแย้งกันทำให้กุรานนี่ขัดแยง้งกันซึ่งจริงกุรานไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อนี่แหละมันใช้สมองที่มันมีน้อยนิดนี่แหละทำให้มันขัดขัดแยง้งนะคือไม่เข้าใจไงอินนัลคุรานะลัมยันซินบีกาบ้าอูฮูบ้าอ่อนรู้ไว้เลยว่ากุรานนั้นเนี่ยจะไม่ลงมาเพื่อจะมาค้านบางส่วนไม่มี กุฎานที่จะลงมาค้านกันเ น, นี้ม่มีหรอกอินนามัยอินนายูซดดิคบ้าดูฮูบ้าดอนแต่กุฎานจะลงมาสำทับขยายความและสอดคล้องกันเห็นไหมอายะจะเอามาอาธิบายซึ่งกันและกันไม่ใช่เอามาขัดกันนี่คือปักนี่คือเรื่องเรื่องกุฎานฟอมารอฟ้าตุ้มมินฮูฟาฟามาลูบีดังนั้นใคร ท, ที่ทราบก็ให้ปฏิบัติ แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนโง่ล่ะว่ามาจะหินตุม้มแต่ถ้าท่านโง่เข่าก็อย่าแสดงความโง่ออกมาทำยังไงอ่ะฟารุต ด, ดูหูอีละอาเลมก็ไปหาคนที่เขามีความรู้ให้เขาอธิบายไม่ใช่คิดเองเล่นเองด้นเองประแปรเองนะเรียบร้อยพี่น้องเขา้าเข้าเลยนะถอยหลังเข้าคลองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่ว่าบางครั้ง มั่นใจในสติปัญญาตัวเองจนเกินจนเปิลไปแล้วก็อาศัยว่าศึกษาเองเพอศึกษาเองไปไปม า, มาเนี่ยชัยตอนมันเข้ามาแทรกอ่าคราวนี้ไม่ฟังแล้วคนที่มีความรู้มาเตือนมาบอกเพราะตัวเองคิดว่าที่เข้าใจเนี่ยมันถูกถามว่าที่มาที่ไปเมียไม่มีหรอเขาฉันเข้าใจของฉันเองเ อ, อ๋อหรนี่มันเก่งเนาะอ่านั้นเรื่องกุราานพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอธิบายเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้รู้เป็นผู้ที่อธิบายความนั้นแล้ สมองที่มีอันน้อยนิดในการอธิบายความเองแต่จะอ้างอิงจะเห็นไหมว่าหนังสือจะอ้างไปถึงซอบาสต่างๆนูอับบาสไล่ไปเรื่องจะไม่ได้มีคําพูดที่มันมาขัดแย้งกันเลยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อมาครับอายะต่อมาและเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราบอกว่าอีลาจะหุมอัมรุนเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันมา มาประสบแกเราเรื่องนั้นจะเป็นอ้ํานี่เป็นเรื่องที่ปลอดภัยหรือเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวก็แล้วแต่อัลลอฮ์บอกว่ า, าวอย่าได้แพร่มันออกไปนะอย่าได้แพร่มันออกไปว่าเรารถดูฮุอิละรอซูลแต่หากพวกเขาเนี่ยให้นําข่าวนี้กลับไปหาท่านนาบีก่อนไปถามท่านนาบีก่อนยังไม่ได้รู้ จริงรู้จังเลยพูดไปก่อนเรีวนะหรือพูด ง, ง่ายๆว่าต้องกลับไปตรวจสอบก่อนข้อมูลของเราก่อนนะนี่เป็นอายะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเฟกนิวนี่แหละอายนี้เลยนะ อ, อย่าได้แพร่ข่าวออกไปตราบใดที่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปของมันยังแท้จริงว่าอีลอุลินอัมหรือเอาไปถามคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในหมู่พวกท่านตรงนี้ก็แปลว่าผู้รู้นะคนที่มีความรู้ก่อน จริงหรือเปล่าวะไอ้ที่เขาแชร์มาเนี่ยแชร์กันไปก่อนแล้วไม่รู้อะนะเนี่ยมันมันมันบ้านเราทุกวันเนี่ยมันเร็วไงทุกอย่างมันไปเร็วหมดจนกระทั่งไม่รู้ว่าไอ้ที่ส่งส่งกันมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงหรือเรื่องโกหกมันเป็นบาปนะจริงมันบาปด้วยนะนะแล้วก็ต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าละอาลีมาฮุลละดียะสตมบีตูนะฮูมินฮุมอัลลอ์บอกว่า ต้องให้บรรดาผู้ที่รู้เนี่ยหรือผู้ที่วินิจฉัยในหมู่พวะเจ้าเนี่ยให้เขารับทราบแล้วก็วินิจฉัยมันก่อนและหากมันไม่ใช่และถ้าหากไม่ใช่ความโปรดปานและความเมตตาของลอที่มีต่อพวกเจ้าแล้วแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นและตาบะตูมุชชัยตอนท่านก็จะปฏิบัติตามชัยตอนอย่างแน่นอนการที่พูดออกไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเนี่ยนั่นคือแนวทางของชัยตอนนะ แพร่ข่าวใช่ตอนมันชอบไงโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องโกหกอินลากลีลานอกจากคนจํานวนน้อยเท่านั้นคําว่าจำนวนน้อยตรงนี้นหมายถึงผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะไม่จะไม่ทําการพูดอะไรหรือแพร่ออกไปหรือขยายข่าวในสิ่งที่มันยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่คราวนี้อายะตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะถูกประทานลงมาเนี่ยมันมีสาหีดเขาเรียกซาบับโนซูนซาบับโนซูนตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้น มีรายงานจากอุมัิบินคอตอบว่าฮะดิษวนนี้เป็นฮะดิษจีโซอฮียขณะข่าวเนี่ยไปถึงท่านรอซูลมีนมีข่าวขอโทษดิมีข่าวที่แพร่สะพัดออกไปว่าท่านนาบีเนี่ยได้หย่าภรรยาของท่านมีไหมนบีเคยหย่าภรรยานะเคยมีที่จะมาเรียกร้องข อ, ขอขอค่าเลี้ยงดูเพิ่มนบีก็เลยบอกว่าถ้า ถ้าเลือกความเป็นอยู่ในดุนยานบียินดีที่จะปล่อยไปหาคนที่สตังเยอะนี่เยอะแยะในมรดีนะมีแต่ต้องการที่จะอยู่กับฉันอยู่อ่า อ, อ, อยู่กับฉันอ่าอยู่กับอยู่กับฉันอยู่กับความดีงามแล้วก็ได้อยู่กับฉันในสวรรค์นะก็ก็ให้อยู่ให้อดทนให้สวบเออแต่นบีไม่ได้เลิกไง สุดท้ายภรรยาทุกคนน้ำตาร้องไห้แล้วกลับไปนะเลือกที่จะอยู่กับท่านนาบีแล้วแลก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงที่อายุมากแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่อยากเอ่ยชื่อถ้าจำเดี๋ยวผิดเป็นผู้หญิงที่อายุมากแล้วนางก็รู้สึกว่าหนึ่งนางไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สวยอันที่สองก็คือนางอายุมากแล้ะและเกรงว่าวันที่นบีจะมาเนี่ยนบีจะรู้สึกอึดอัดอ่า อ, อึดอัด ก็เลยก็เลยนบีก็เลยบอกว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่งั้นนบีก็จะนี่เ็นีบพนอมกันแล้วกันคือจะปล่อยก็ได้ให้เป็นอิสระก็ได้แต่นางเลือกที่บอกอยากจะคงสถานนะเป็นภรรยาอยู่แต่ยอมสละสละสิทธิ์ที่นางจะได้ก็คือวันของนางให้ไปให้ก้าท่านยังไอช่ไภรรยาคนเนี้ยแต่ความเป็นภรรยาอยู่ไหมอยู่ เพราะว่ามามาก็ทําอะไรไม่ได้ในะอายุอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะนางก็รู้สึกว่านางจะปลนนิมขอโทษดีนางจะปล น, น, นิบัตินบีได้ไม่ไม่ดีเท่ากับคนอื่นแต่จใจกว้างไงแต่อยากที่จะทรงสถานนะความเป็นภรรยาอยู่ก็เลยมีการตกลงเขาเรียกอิสละมีการปณีปานอมนะคราวนี้ข่าวแพร่ออกไปว่านบีเนี่ยยาภรรยาปรากฏว่าไอพวกนี้เนี่ยนะบางคนนี่ยเขาเด็กปากไม่ไม่ค่อยมีซิปเท่าไหร่ ไปพูดกันจนกระทั่งไปพูดกันในสุราดูเอเข้าไปเนี่ยเสียงเนี่ยลือกันเลยในสุราว่นานบีเลิกกับเมียเล้วเลิกกับภรรยาแล้วปรากฏว่ามีคนค น, นึงคนนึงเดินเข้ามาเงียบกริบใครอะ่ะท่านอุมัดสิอืมอันนี้คนจริงพอเดินเข้ามาเสียงเริ่มเบาแต่ก็แว่วมาแล้วพอก่อนจะเข้ามาเนี่ยเสียงมาเข้าหูแล้วว่านาบีหยา่าภรรยาท่านอุมัดทำยังไงเดินไปหานาบีเลย ถามเลยยาโรสุลโลท่านยาภรรยาคนไหนของท่านหรือเปล่าเพราะมีคนพูดกันแล้วในสว่าท่านยาภรรยาท่านตอบว่าไม่มีไม่ได้ยานะอัลลอฮหัอัคบัดอัลลอฮ์ฮวบัดแล้วก็ดังนั้นท่านอุมัตก็สันสริญอัลลอฮ์นนะแล้วไอ้โพนั้นก็เตรีมตัวนะไปพูดจะเลเทอ์นะอายะกุฎา น, นี้ก็ถูกประทานลงมานะครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย จะสังเกตได้ว่าท่านอุมัรทำตามที่กุรานบอกเลยก็คือเมื่อมีข่าวอะไรออกมาถามเจ้าตัวเขาสิก็ถามเจ้าตัวเขาว่ามันจริงไหมอ่าถ้ามันจริงก็ตามนั้นอ่าแต่บางเรื่องมันก็นไม่ควรไปบอกไม่ควรจะไปรู้เรื่องคนอื่นก็นไม่ควรจะรู้แต่เอาแหละเพื่อเป็นการไม่ให้มันมีฟิตรนะก็ถามเจ้าตัวเขาเริมเป็นยังไงนะครับ มีฮะดิษบทหนึ่งนะเป็นเป็นกฎเกณฑ์ของพวกเราให้เราต้องคิดว่ากาฟาบินมารีกาซีบันเพียงพอแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็นคนโกหกทำไมอ่ะไอยยฮัดดิซบิกุลลีมาสามีอะคนคนนี้มีลักษณะจะพูดทุกอย่างที่ได้ยินได้ยินอะไรมาพูดหมดเลยไม่กันกองไม่อะไรอย่าให้ได้ยินแล้วกันได้ยินอะไรมาไปนั่งอยู่ตรงไหนได้ยินอะไรมาพูดหมด จริงไม่จริงไห ม, ไมรู้ไปตัวสอบมาเองแต่ฉันพูดก่อนแล้วนักกระจายข่าวอ่าคนคนนั้นถือว่าเป็นคนโกหกเพราะอะไรล่ะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินมาทุกอันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็มีแล้วก็เรื่องจริงก็มีจริงไหมล่ะแต่เราเป็นไงเราก็ไม่รู้นะจริงหรือเปล่าแต่พูดไปแล้วอ่ะแ ล, แล้วจะไปบอกได้ไงแล้วพูดได้ไงอะก็ยังไม่รู้เลยจริงหรือเปล่าพูดไปแล้วมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะวัาล้อหั ว, หวลำเนี่ยหัมอบต่อล้อด้วย แต่พูดไปหมดแล้วเนี่ยล่าสุดกับฉันเองส่งเนื้อกุราบันมีคนหนึ่งบอกเนื้อเขียวฉันบอกมันจะเขียวยังไงฉันเอารถท้องเย็นไปส่งไม่เขียวอะ่ะมีแต่เนื้อแข็งแล้วก็สุดท้ายสุดไปถามมาว่าไอ้เขียวเนื้อฉันเนื้อ ใ, ใครบอกอ๋อเห็นเขาพูดกันมาไม่ใช่เนื้ อ, อาจานแล้วเนื้อคนอื่นอ้าวแล้วมาบอกของฉันแข็งเขียวเขาบอก ก็มันลูกเขาเรียกลูกลอยพอแล้พลอยตามไปเขาว่าเขียวก็เขียวไปเรื่อยแต่คนอื่นไม่ใช่ชัดไม่ใช่ท่านอะไรกันไปู่้แล้วก็ไปกันหมดเลยข่าวโอ้โหเนื้อเขียวเนื้อเขียวแล้วก็บอกเสียหายหมดนะแต่ว่าลักษณะของของคนเนี้ยเขาเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนที่ถ้าฉา้ยาก็คือเป็นหัวเหมือนกับขอกระใจข่าวอยู่แล้วอก็เลยเตือนกันนิดนึิงบอกว่านิจา่ามันไม่เรื่องดีเลยนะที่เราจะ เข้าบ้านหนึ่งแล้วก็คุยคุยคุยสักพักหนึ่งก็ไปเข้าอีกบ้านหนึ่งเข้าไปอีบ้านคุยเรื่องใครเรื่องไอ้บ้านที่แล้วอ่ะที่ไปคุยมาเมื่อกี้แล้วครนี้เหลือไม่ไอ้เรื่องเราในที่คุยเมื่อกี้ไม่เหลือหรอกเดี๋ยวไปอีกบ้านหนึ่งอ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่กลัวมีเรื่องที่คุยมีเรื่องคุยตลอดเพราะว่าเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยเข้าบ้านหนึ่งก็ไปเรื่อยบ้านดี๋ยคุยเข้าอีกบ้านก็คุยไปเรื่อยคือคืออย่างนี้นะว่า บางครั้งเรื่องบางเรื่องคนพูดก็พูดนะบางเรื่องไม่ควรพูดก็ไม่ก็เก็บไว้ก่อนแค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าได้ยินทุกอย่เรื่องมาพูดหมดอ่าแล้วมันจริงไม่จริงก็ไม่รู้พูดไปเร็วแล้วก็บอกว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้นะเออแล้วพูดทําไมอ่ะจริงดิถค่อยพูดแต่เมื่จริงกัไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่มันจริงด้วยนะอะอันนี้ก็คือเอาเราบอกต่อนะอ่ามอกว่าไงว่าเราเล่าฟัดลุนรออ่าใช่ไหมจบแล้ว ลัตะบะตุ้มถ้าหากว่าเราเป็นคนที่แพร่กระจายโดยที่มีตัวสอบข้อมูลเนี่ยมันก็คือแผนการของชัยตอนอิลากลีลาเว้นแต่คนที่เป็นผู้สัทธานเนี่ยเขาจะสำรวมตนแล้วก็คิดไตรตรองทุกครั้งก่อนที่จะพูดจาอะไรออกไปเพราะคำพูดนั้นทุกคำพูดเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดออกไปนะครับอะต่อมาครับอายะ์ที่84 85และ86 ف ق ا ت ِ ل في سبيل َ الله لا ت ل ف ل ف لا ك ل ّ ف ُ إ ِ ل َ ل ا نفسك و ่ารรดิลมِุ ي ن َ ع ศาล ل ั ه ลอฮฺ ي י ق ُ ف َ ب َ س َ ل َ ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا م ุม ي ن า ع ศาล ل ั ه ลอฮฺ ي י ق ُ ف ُ ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا วะหละฮ์อาชดุเบซุ د ะอาชดุตันกีลาไอ้รอบนึ่งคีตันกีลานะไอ้รอบหนึ่งวะละฮ์อ ดุบะซัวอาชัดดุตะเคียร ไม่ยาชฝาชฝา عة ทันพัสนตัยคุลลหูนอสีบุมมินหะไม่ยาชฝาชฝา عة ทันพัสนตัยคุลลหูนอสีบุม วَ่ไม่จะชั่วَ้ากันซีَอَัยคุล ه ُหِกْลุ م มّ ن ْ ه َ ا وكان َ الله َُ على َ كل شيء مقيت وإذا َ حوي แต่ให้ติดฟ้าให ب ย أ َ ح อ س َนา منها แต่ให้ต ح ด ي ّ้ให้ยูไปอัศนา منها ฟ้าให้ยูไปอั สันนมินอาวรุดูฮปีอสัินฮาอาวุรุดูฮาอินนัลลอฮะกาณากาลชอินีบ Allahu ลจะมาเณรคุมอีลาเยว์มิล قيام ติละรับฟีมาเณุมอีลมิล قيام ีแล้วก็หยุดนะไม่ไม่ไมีหานะฟี อว่ามนัสดักมินาัลลอฮิฮะดีซะว่ามนัสดักมินัลลอฮิฮะดีซะอาทำดุริดแล้วขอบคุณพี่น้องที่ขอดุอาให้นะ เดี๋ยวบ่ายนี้น้องฟ้าออกจากโรงพยาบาลแล้นะครับส่งมาบอกแล้วห้ามดูดินละอ่ะเดี๋ยวดูความหมายนะครับดูความหมายนะอัลห้มดูดินละฟาโกตินฟีซาบีลินละและตูกันละฟูอินละนับสักเจ้าจงสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺเถิดโดยที่เจ้ามิได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใด และวตกกันและฟูอิลลนับสักโดยที่เจ้ามิได้ถูบังคับให้เกณฑ์ผู้ใดนอกจากตัวของเจ้าเองนะว่าอัฮฺเรดินมุมีนีนแปลว่าและจงปลุกใจบรรดาผู้ศรัทธาด้วยนะให้ให้ปลุกใจบรรดาผู้ศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็บอกต่อ อลซลลอุอยุกยุฟบะซลลาีนกฟรูเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์จะทรงยับยั้งกำลังรบของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นนะวะลลอุอาชัดดบะวะอาชัดดตันกลาแปลว่าอัลล์ และเอาลอปเป็นผู้ทรงมีกําลังที่เข้มแข็งกว่าเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงกว่าอตรงนี้คือเรื่องอะไรเอาลอทรงใช้ท่านนศูนเนี่ยออกไปสู้รบด้วยกับตัวท่านเองท่านนมีหน อ, อรบด้วยตัวเองนะแอนโดยเฉพาะสงครามใหญ่ๆยกเว้นไอ้กรณีที่ออกไปลาดตะเวนเนี่ยนบีก็จะส่งกองกําลังให้ได้กองกําลังจู่โจมเร็วอ่าหน่วยสืบราชาการลับนะตรงนี้มันจะมีใช่ไหมพวกนี้จะไปเยอะไม่ได้ไปเยอะจะเป็นที่เตะตา มันไม่รับแล้วสิต้องไปแบบไปเป็นกลุ่มๆไป แ, แต่ถ้าออกแบบสงครามใหญ่เลยเช่นสงครามบาดัศสงครามอูฮุดอันนี้นบีออกด้วยตัวของท่านเองนะท่านนั่นแหละเป็นคนนํารบเลย น, นี่คือความกล้าหาญของท่านนาบีของเรานะแล้วก็เป็นไปได้ไหมนบีจะถูกฆ่าในสงครามก็เป็นไม่ได้เพราะเราบอกแล้วอแต่เราช่วยเหลือไงเาลาช่วยเหลือแล้วก็เคยได้รับบาดเจ็บในสงครามอูฮุดด้วยนะครับ ขณะนี้ตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็ออกรบด้วยตัวของท่านเองไม่ได้ใช้คนอื่นไปออกและตัวเองอยู่กับที่อยู่กับบ้านไม่ใช่เอาเราทรงใช้ให้บ่าวของพระองค์และเราซุลของพระองค์เนี่ยโดยเฉพาะท่านนาบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยสโ ล, ลลลอห์ฮาวะเลวัลซัลลัมเนี่ยออกไปสัมผัสการสู้รบด้วยตัวเองส่วนใครจะปฏิเสธไม่ยอมรบก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยประการใดเกิดคนไม่ออกไปกับท่านก็ไม่เป็นไดนะมหานก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะท่านนบีก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะ อัลลอฮ์บอกว่าโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ผู้ใด ไ, ดไปนอกจากตัวของเจ้าเองแต่แน่นอนแหละตัวของท่านนาับีไปเนี่ยมีมีมีเหรอคนอื่นจะมันจะอยู่เฉยก็ต้องไปหัวหน้าไปเนี่ยลูกน้องก็ต้องไปไปเรื่องปกติใช่ไหมเอ่อมีคนถามอบีฮยเต็มบอกว่าถ้าหากว่าชายคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าหาศัตรูจํานวนหนึ่งร้อยคนหนึ่งต่อหนึ่งร้อยมีคนถามว่าอย่างเงี้จะเรียกว่า เวลาตุลกูบีไอดีกุ้มอิลัตตะหลุกะไหมหมายถึงโยนตัวของตัวของเขาเนี่ยให้สู่ความพินาศจะใช้อายานี้เนี่ยมาเลยนะมาเข้ากับคนที่ต่อสู้หนึ่งต่อร้อยได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าอบูฮาติมเนี่ยจากบารรอ บ, บินอาศีิบบอกว่าไม่เรียกว่าจะไปฆ่าตัวตายนะไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายหรือไปโยนตัวเองเพราะมันคือการต่อสู้เสียสละนะครับครนี้ มีมีฮะดีษหนึ่งนะอ่าไม่ใช่ฮะดิษหนึ่งอีกวักหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าวะฮะวะฮริดอูริดินมุมีนีนให้ปลุกใจผู้ศรัทธาอ่าให้ปลุกใจผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าให้ปลุกใจผู้ศรัทธาคือปลุกใจให้ต่อสู้สนับสนุนและส่งเสริมดังเช่นครั้งหนึ่งในสมารมสมาราภูมิอันบัดัชขณะที่จัดแถวอยู่นบีก็บอกว่ากูมูอีเลนจันนะ จงลุกขึ้นยืนไปสู่สวรรค์ด้วยกันเถิด <c oughs> ยืนขึ้นไปสวรรค์ไปตายเฉียด <c oughs> ส, สู้สู้จนตัวตายอีเลนเจนนะอารดูฮัสซเมวะตุวนอาร์ซึ่งสวรรค์เนี่ยความกว้างใหญ่ไปแานของมันเนี่ย <c oughs> เท่ากับระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดิน <c oughs> และมีฮะดิษหนึ่งที่รายงานโดยอับดุลฮุยรอบอกว่ามันอามานบิลละวารอซูลี วะอักอมัสโอเลวะอาตส์ยากาผู้ใดที่ศรัทธาต่อลอและรอซูลของพระองค์ดํารงละหมาจใจจักและถือสิ้อดวะซอมะรอมดอนและถือสิ้อดในเดือนรอมดอนการนะฮักกอน อ, ลลอลัลละอัลลอฮีอัยยุดขิลหุ่นจันนะจําเป็นแก่เขาที่อัลลอฮ์จะให้คนคนนั้นเป็นไงเข้าวสวรรค์ถ้าทําแบบนี้นะมีอะไรบ้างนะศรัทธาต่อลอสัตว์แล้วก็เชื่อฟังนบี ดำรงไว้ซึ่งการละหมาจใจสกาศถือสิ่งอดในเดือนรอมฎอนเอาให้เข้าสวรรค์ฮจารอฟีซาบิลละเอาจลาซาฟีอารดีฮีอัลลตีวุลิดาฟีฮีฟีฮาไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเคยอบพยพในหนทางขอรรหรือนั่งอยู่ในแผ่นดินที่เขาเกิดตั้งแต่เกิดเลยแปลว่าไม่เคยอบพยพไปไหนอยู่ที่นั่นนั่นแหละนะก็นับด้วย อ่าไม่จําเป็นต้องอพยพต้องเจอสงครามไม่ต้องแค่เราเนี่ยศรัทธาต่อละละมาดนะครับได้ข้าวรค์แล้วแต่นบีบอกต่อว่าก็ลุยารอสุลละอัฟฟลานูบาชิรุนน่สบีดาลิกเราจะขอบอกข่าวดีตรงนี้เนี่ยให้กับคนอื่นทราบได้ไหมอัฟฟลานูบาชิรุนน่สบีดาลิกนบีก็บอกว่าฟกอละอินฟินจันนะนบีกล่าวเสริมต่อว่าแท้จริงรู้ไหมว่าสวรรค์ น, น่ย มันมีทั้งหมดมีอาดรอจมันมีหนึ่งร้อยชั้นสวรรค์น่มีร้อยระดับนะอาดัลลอและอัลลอฮ์ก็เตรียมสวรรค์นี้เนี่ยให้กับมูจฮีดีนคนที่ต่อสู้ในหนทางของลอฟีซาบีนล่ะและระหว่างชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนะไบนากุลุดรอจะตัยกะมาไบนัสซามอิวัลอั์ ห่างกันระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินความกว้างของมันแต่ละชั้นฟอเันตุลอเวลาท่านขอดูอัตอลล์เนี่ยขอดูอัตอลล์เนี่ย f i r ฟให้ขอชั้นฟิรดาวส์เลยซึ่งเป็นชั้นที่อะไรสูงสุดแม้ว่าอมันเราเนี่ยมันอาจจะน้อยนิดก็ตามแต่ไม่แปลกถ้าเราจะหวังอะไรหวังสูงไว้ก่อน อ, อย่าไปบอกว่าอย่าเอาล่ะขอขอให้อยู่ขอบสวรรค์ก็พอไม่เอาเอาเอเดี๋ยวมันตก mm hmm. เดี๋ยวมันจะตกสวรรค์ซะก่อนเดี๋ยวไปถ้าอยู่ขอบเดี๋ยวตกแล้วขอให้สูงไว้ก่อน mm hmm. มันเหมือนกับเวลาเราตั้งเป้าหมายอนะกี่นะ mm hmm. มันต้องเอาให้มันสุดก่อนอถึงเวลาจริงมันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาแต่ว่าเอาให้สุดก่อนแต่ตั้งไว้แค่นี้นะไม่ถึงหรอก mm hmm. อดังนั้นความความเมตตาขอร้องเนี mm ่ย hmm. พระองค์ทรงเมตตานะ mm hmm. ใช่นี่เราขอสูงเลยซึ่งนบีสอนให้เราขอนะอันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราขอเองนะนบีบอกว่าเวลาขอดยออกขอไปเลยฟิทดาวส์แต่ไม่ต้องไปไปเก่งอะไรเก่งใจไม่ต้องกักไว้เวลาขอเดี๋ยขอให้เต็มที่แต่ขอกระมนุษย์ไม่ได้กรมนุษ ย, ษย์เก่งใจเว้ยแต่กับขอเร้องไม่ต้องเก่งใจเอาเต็มที่เลยฟิดดาวส์นบีสั่งนบีบอกฟออินหนะูวาสตุนจันนะรู้ไหมว่าสวรรค์ชั้นฟิทดาวส์เนี่ยมาอยู่ตรงไห น, น มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางวาร์อัลเนจันนะและเป็นสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดชั้นที่มีระดับสูงที่สุดเฟลกอหูเหนือสวรรค์ชั้นเนี้ยก็คืออัชชุรฮ์แมนเป็นอารัชของพระ อ, องค์บรรลังของพระ อ, องค์เนี่ยอยู่เหนือสวรรค์ชั้นนี้นะแปลว่าไอ้สวรรค์นเนี่ยอยู่ใต้อารัชนะบรรลังของอัลลอฮ์ วามินหูตฟัฟจูรุนอันฮารุจันนะและเป็นต้นกําเนิดแม่น้ำในสวรรค์ทั้งหลายก็มาจากสวรรค์ชั้นฟิลด์ดาวส์ไหลมาพูดง่ายๆว่าต้นต้นน้ําไอคนที่จะลงไปเล่นน้าเนี่ยถ้าเป็นสวรรค์ชั้นต่ๆต่ากว่าเนี้นะก็ไปน้ําเรวอ่าแต่คนที่อยู่ต้นน้ําสุดก็แน่นอนน้ําย่อมสะอาดบริสุทธิ์อันนี้พูดถึงตามในดุนยาแต่แน่นอนแหละในสวรรค์เราจินตนาการไม่ได้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมจินตนาการเอาไปไม่ถึงแต่พูดถึงว่า คนอาบน้ําตกเนี่ยถ้าอาบต้นบนหัวเนี่ยมันก็อยากจะไปอาบกันบนหัวนั่นแหละเพราะอะไรเพราะน้ำมันใหม่ๆเลยไม่มีไม่มีใครยุ่งเลยอะ่ะบริสุทธิ์เลยจะไม่มาอาบไปนะ้ะไม่รู้มีอะไรบ้างแต่ในสวรรค์ไม่มีหรอกนะพูดถึงบริสุทธิ์ทั้งหมดแต่ว่าความบริสุทธิ์ความดีเนี่ยมันอยู่ที่ฟิลด์าวส์ก็คือต้นน้ําของสวรรค์เลยที่ไหลไปทั่วสวรรค์ชั้นต่างๆไมยัชฟะเชฟะอัตันแปลว่าอะไร ผู้ใดที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นนะย่กุลลาหูนาศีบุมมินทาใครที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นก็จะเป็นของเขาและทางตรงกันข้ า, วามาว่าไยะชฟะชาฟาตยยะตันไซ ย, ยีอตันไซยีอใครที่ให้ความช่วยเหลือกันในเรื่องที่เป็นเรื่องเลวซามเรื่องไม่ดี ยคุลละหูกิฟลุมินหานะความชั่วนั้นก็จะเป็นของเขาด้วยและปรากฏว่าอัลลอ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งนะว่าการัลลอฮ์วาลกุลลิชาอิ ى. นะมุกีตานะมุกีตานะครนี้ตรงนี้เนี่ยฟังแล้วเราน่าจะ เข้าใจนะครับบอกว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยอันนี้หมายถึงในเรื่องทั้งหมดเลยนะอายะเนี่ยพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือสังคมด้วยในเรื่องสังคมเนี่ยถ้าเราช่วยกันในเรื่องดีๆคนละไม้คนละมือ ง, งานมัสยิดเออยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลความดีเวลาอาลัลลอฮ์ให้เนี่ยให้หมดเลยอ่าแม้กระทั่งคนมาส่งน้ําแข็งอะไรแค่ไหนะเอาน้าแข็งมาให้เอาทับซีมาให้ยกล้างจงล้างจานงานมัสยิดไม่ได้ขึ้นบรรยายกับเขาหรอก แต่จนเป็นคนจัดเวทีให้เป็นคนกวาดซุราวมังไเป็นคนดูเครื่องเสียงนะเนี่ยได้ผลบุญหมดเลยเพราะช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดีนะครับอวันนี้ใครเอาขนมมาเอาช่วยตรงนู้นตรงนี้ยกเก้าอี้ได้หมดนะซึ่งอันนี้ยศาสนาสอนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นความดีและตรงกันข้ามใครที่ช่วยกันในสิ่งที่เป็นความชั่วอสนับส น, นุนปรากฏวันนี้จะมีคนเสิร์ฟมาเล่นในหมู่บ้านเรา ลงขันเลยคนละร้อยจ้างมันแพงเนี่ยวงมันแพงอ่ะตคูนี่จ้างไม่ถึงพันกว่าบาทเท่านั้นแหละแต่โดนตีนี่มันวงเป็นหมื่นเป็นแสนนาแพงใช่ไหมอ้าวใส่รวมตังกันหยอดหยอดหยอดยอดยอดเสร็จปั๊บไปเอาทุนไปช่วยนี่ไปช่วยนั่นแหละรับกันหมดบาปรับกันหมดเลยเนี่ยนะดังนั้นอะไรที่เป็นความชั่วเนี่ยเราก็ขอไม่มีส่วนร่วมแล้วกันนะอย่าไปเกี่ยวเขา อันไหนที่เป็นความดีเราก็ขอมีส่วนร่วมนะครับอ่ะต่อมาอีอายะหนึ่งเอเล่าบอกว่าวเอราฮุยตุ่มนะอีายนะอายนี้เนี่ยนะครับตอนที่ผมเรียนตัปสิดอายามุมุอากรมเนี่ยมีความหมายอยู่สามความหมายเรื่องขดียะเรื่องขดียะใครที่มอบขดียะให้ก็ควรที่จะมีขดียะตอบแทนไปอันนี้เรื่องงันหนึ่งขดียะ อันที่สองเนี่ยปราดบอกว่ามันคือการให้สลามการทักทายนะแล้วส่วนใหญ่บอกว่าอยายันี้พูดถึงเรื่องการให้สลามนะเอเลอร์บอกว่าไงเมื่อพวกเจ้าเนี่ยได้รับคําทักทายจะด้วยคําทักทายใดๆก็ตามนะก็จงกล่าวคําทักทายตอบที่ดีกว่านั้นอู้หรือไม่ก็ทักตอบกลับไปคราวนี้ มัสอาลเนี่ยไม่มีใครไม่มอาจจะไม่ได้มีใครรู้เท่าไหร่ก็คือว่าถ้าคนที่ให้สลามยาวไอ้คนรับก็ต้องก็ต้องยาวด้วยนะล้อ บ, บอกว่ามันมีอย่างมันมีดีกว่าก็คือถ้าเขาให้สั้นเราก็รับยาวหรือกรณีที่เท่ากันก็คือถ้าเขาให้สั้นก็รับสั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรนีคนให้มันดีต้องเผื่อไว้บ้างมันพีมาให้สะยาวเชอ ไอ้คนนั้นกว่าอะไรกุสลามเรียบร้อยไม่ได้รับสั้นไม่ได้ต้องรับยาวอ่าเนื่องบางคนป่ายก็บอกว่าในกรณีบางอันเนี่ยให้สักสักจุดตรงแค่อัลสลามวะอะไรกุ้มวะร้องมาตุลร อ, อประมาณนี้แหละเผื่อไว้หน่อยอเพราะถ้าให้เต็มปุ๊บเดี๋ยวเป็นบางคนกล่าวสั้นยุ่งนะแต่ไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าในกรณีที่ให้รวมกันเนี่ยคนคนหนึ่งรับที่เหลือซะกอตอนันบากีนจบหมด อย่างทผมไม่สลามเมื่อกี้ตอนครั้งแรกเลยเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุยนู่นคุยนี่อยู่ไม่เป็นนาเพราะว่าฮัตยานี่นี่ครับแล้วนี่ยเขารับแทนแล้วอ่าก็คนอื่นก็ไม่บาปอ่าแต่ถ้าเกิดสมมุติฉันให้ไปแล้วทุกคนไม่รับกันเลยนะนะบาปกันหมดเลยนะบาปกันหมดเลยงนั้นการการให้สลามตรงนี้เนี่ยอ่าให้ยาวนะครับต้อนรับยาวนะให้สั้นรับยาวได้ คันนี้ต่อมาเนี่ยการให้ยาวเนี่ย <c oughs> อย่าไปโกรธเขาเอาทำไมอะ่ะเมื่อเขาให้ยาวเนี่ยมันเือนการบังคับว่าเราก็จะได้จะได้ผลบุญที่เยอะด้วย <c oughs> เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งเดินผ่านท่านนาบีแล้วก็ก่าวว่าอัสลามออะไรกุมอันนี้เขาให้นะเขาให้นะเขาให้นะนบีก็ตอบรับสลามว่าอะไรกุสลาม พ อ, อนั่งลงเสร็จนบีบอกว่าชายคนนั้นเขาพกความดีกลับไปแล้วสิบความดีอ่าอันนี้คนให้นะไม่ใช่คนรับนะหลังจากนั้นอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาก็บอกวา่าอัสสลามอเลกุมบอรอมาตุลลอฮ์ยาโรซูลลลอฮ์ยาโรซูลลลอฮ์นะไอายาโรซูลลลอฮ์นี่เป็นคำเรียกอ่าไม่ใช่เป็นคำสลามสลามมันหยุดแค่มันหยุดแค่อัสสลามอเลกุมบอรอมาตุลลอฮ์แล้วก็เหมือนกับเรียกอ่ายิวังอะไรเงี้ย สลามอวยอะไรกู้มรมาตุลลอฮีหวังอประมาณนั้นพอรับนบีรับสลามนบีก็บอกว่าพกไปแล้วใส่กระเป๋าวไว้แล้วยี่สิบความดีอใส่กระเป๋าไปแล้วะอีกคนนึงเดินมาเลยอัสสลามอวยอะไรกู้มรมาตุลลอฮ์หัวบรอกาตันบีก็รับสลามยาวกว่เพื่อนเลยนะเสร็จไปแล้วรับไปแล้วสามสิบความดีอ่านี้โมโหอาจารย์ฉันอยากได้เยอะ เนี่ยสามสิบฉันก็เยอะแล้วแต่ฉันอยากได้เยอะกว่าทำไงดีล่ะเติมดิเติมอัสสลามุอะลักุมบอระมาตุลลอฮิตาอลาวะบรอกาตุแม่ตาอาลามาด้วยฟังดูปับ๊บไอ้นี่มันไปเรียนสลามที่ไหนวะยาวดีแล้วกลัวลาจะรับขอโทษดีก็ต้องมีตาอาลาไม่เนี่ยอสรุปก็คืออุตริกรม เพิ่มเติมพวกเพิ่มเพราะวาสลามนี่ไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละสุดแลว้วนะอย่าไปใส่นะครับการใส่ตาลาใส่ได้ในกรณีที่เราพูดถึงอัลลอฮ์โดยทั่วไปอัลลอฮ์ตาลาอัลล์ซุบฮานะฮุวตาลาแต่ถ้าอะไรที่มันอยู่ในสำนวนของการอ่านในกุรานเนี่ยเราเจอคำว่าอัลลอฮ์เยอะเลยก็เราไม่ต้องใส่คำว่าตาลาเข้าไปเนี่ยเห็นไหม อลลาซาลอัวไอูกับฟุเราต้องใส่ตาอาลาเข้าไปในกุฎานได้ไหมก็เติมเลยก็มีอยู่แค่นี้นะดังนั้นเหมือนดีเหมือนดีขอมาอจริงๆเหมือนดีออนดโอ้ยคนนี้ให้สลามมีตาอาลาด้วยเหมือนดีแต่มันไม่ดีครับเพราะว่ามันทำเกินท่านนาบีบอกนะเป็นอุตรีกรรมดังนั้นต้องเตือนกันว่าอยากทำความดีต้องดูแบบง่ายๆนิดเดียว ด, ดูแบบ มันมีไหมถ้ามันไม่มีก็หยุดเอาไว้นะครับเพราะว่าจากอันเนี้ยฮะดิสสุลเนี้ยเต็มที่ก็คือสามสิบความดีไม่ใส่ตาอลาไม่ใส่มกอนใส่นาะอยากนากว่านี้นะมีบีฟอตลินละมีอะไรรู้เต็มเลยอิมนุอับอ บ, บาสเหญ่บอกมานี้มานี้แปลามาจากไหนนบีไม่เคยสอนแบบนี้นะแล้วก็บอกว่ามันสุดแค่นี้แหละสลามนะครับเอาต่อมามีอยู่ครั้งหนึ่งอิมนุอับบาส อีเดละมาอะไรกุ้มเยฮูดมีคนเยฮูดเนี่ยมาสลามเยฮูดก็คือยิวมาสลามฟาอินนามายากูรอะฮะดูกุม่มสลามมูอะไรอะอัสมามูอะไรกุม่มเขากล่าวว่าซามู้อะไรกุม่มแปลว่ายาพิทยาพิษเนี่ยจงมีแก่แก่ท่านคือพวกเนี่ยมันแฝงคําพี่น้องมันใช้คําที่คล้ายกันอัสลามกับอัสามา เหมือนกันไหมคล้ายๆนะเดินมาซามิกุ้มซามิกุ้มเนี่ยฉันไทยยังไม่รู้เลยซามิกุ้มนั่น่ะแปลว่าเอายาพิษให้ทันเอนี่ย่าฮูดมันมันร้ายกาดมันให้ยาพิษแต่คนฟังไม่รู้ก็ฟังปุ๊บอ้าวอะไรกุมุสลามแต่มันหลอกด่าพูดง่ายมันหลอกด่านบีจึงบอกว่าเวลาที่โพนี้เนี่ยมันจะให้อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้บางทีอาจจะซามก็ได้สลามก็ได้มันใกล้กันไงเราเลยตอบรับ อย่างเดียวกันเลยก็คืออาไลากะแค่นั้นพอว่าอะไลก า, า, ลาดังนั้นถ้าสมมุติมีวันหนึ่งสอสอสอวสวส อ, สอสอขอสอกอะไรก็รู้อ่าอย่าไปพูดสอเดียวเดี๋ยวโดนเล่นงานทุกสอเลยนักการเ ม, กกมืองนักการเมืองไม่ใช่มุสลิมเดินมาเห็นเขาเป็นนี่อัสลามูอะลัยกุมค่ะอ้าวไอ้นี่ไม่ใช่มุสลิมเว้ยให้สลาม เราเนี่ยจะตอบรับก็คืออะไลก้าแค่นั้นนะไม่ต้องว่าอะไรกุมุสลามเรามาตุลาบาริกาไม่ได้นะ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะหนึ่งการสลามนั้นไม่อนุญาตให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราไปเจอคนคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมไปให้สลามันเขาไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันคือดูอาไงมันเป็นดูอาที่เราให้ความสันติความเมตตาเอาเราจะเมตตาไหมล่ะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเออ อันนี้พูดถึงอ่าและเวลาที่เขาให้มาเราก็รับไม่ได้แต่ให้เราบอกว่าอะไรก้าอย่างเดียวนะอะไรก้าแปลว่ายัางยังท่านยังกลับไปอ่าเขาได้ว่าอะไรก้าคือขอให้กลับไปครูคุณให้อะไรมาใช่ไหมเราก็บอกก็ให้กลับไปอ่าให้กลับไปอย่างนั้นแต่บางทีเขาอาจจะคิดดีกับเราก็ได้เขาอาจจะให้อ ah uh ัศวินมาอะไรกุ้มมาราอมาตุลาบารากาตุทองมาเนาะ เราก็บอกอะไรกันแค่ okay, นั้นอืมแต่ว่าความจริงก็บอกเขาได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะสวัสดีนั่นแหละถ้าเราไม่ <laughs> คงไม่ใช่คนนะโหสวัสดีไปเพราะว่าสลามเนี่ยมันสงวนเอาไว้สําหรับคนที่เป็นมุสลิมนะแต่เขาก็พยายามเนาะอิฮะดิษหนึงบอกไว้อันนี้สําหรับคนมุสลิมเรานะอิฮะดิษนึ่งบอกว่าว่าละดีนับซีบียดีฮี ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์และต็ดเดคูลุนจันนะฮัตตาตุมีนูพราะท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะศรัทธาเสียก่อนแ น, น่นอนอยู่แล้วถ้าเราไม่ศรัทธาต่อลระเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์เวลาตุมีนูฮัตแตาตฮาบูและจะไม่ยังและจะไม่เรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าจะรักกัน ตาฮาบูต้องรักกันนะ ร, รักกันตรงนี้หมายถึงรักกันในหนทางของอัลลอฮ์นะครับอาเฟลอดุลและกุมอาเลอัมรินเอาไหมฉันจะบอกสิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้าให้พวกเจ้ากระทําฟาอีザอัลลามูฮูอัลลามูฮูตาฮาใบตุ่มเมื่อพวกเจ้าปฏิบัติกันแล้วเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความรักแก่พวกเจ้า แน่นอนก็อยากรู้ใช่ไหมสอบบาบอกอยากทราบจักคืออะไรอับชุดซาลาหมาใบานะกุ้มจงแพร่าการสลามกันให้มากๆในหมู่พวกท่านทั้งหลายนี่แหละเครื่องมือของการแสดงความรักนะครับเราจะรักใครชอบใครเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายดูอันแรกเลยก็คือว่าสลามกันไหมแล้วก็แปลกเนาะบางครั้งเนี่ยเราจะสลามกับคนที่ไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นเนี่ยเรากล้าสลามเนาะ แต่ย่อมะคนที่คุ้นบางทีไม่กล้าสลามเจอมะมะสบายดีนะมะคิดถึงแต่ไม่อัสลามออะไรกุ้มกับมะเลยฉันเนี่ยเป็นโปรตรงตัวฉันเน่ยเป็นเพราะอะไรเพราะฉันไม่ได้ถูกสอนมาเข้าบ้านไม่ได้ให้สลงสลามไม่รู้เรื่องให้สลามใครครูเจอครูตัวอิมัมให้สลามแต่เข้าบ้านไม่เคยให้สลามจนกระทั่งมาเรียนโรงเรียนที่สอนหนังสือบอกว่า ในเมื่อเราให้สลามครูได้ทำไมป๋ากะมะเราไม่ให้สลามมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือคือเด็กเนี่ยมีแม่แต่งงานนาเข้ามาแล้วก็เลิกพอเลิกเสร็จปับ๊บแม่ก็กลับไปเป็นศาสนาเดิมแล้วก็พาลูกไปด้วยพาลูกไปด้วยไอ้นี่ก็แอไม่สนใจอะไรดิสบายดิ พอไปเลี้ยงก็สบายกูไม่ต้องส น, สนใจแล้วก็ลัน ล, ลาไปอันนั้นนะสิลูกสองคนบุชายด้วยเอาไปกไปไป็ไปอยู่บ้านย่าบ้านย่าอ่าบ้านยายบ้านยายไปอยู่บ้านยายนะเราก็มันก็มามาเป็นเราก็มาถามเราว่าเอาอยัางไงดีเนี่ยเขาบอกว่าเอากลับมาดังด่วนเลยเพราะไม่รู้ปานเนี่ยขอโทษนะลูกแกเนี่ยทําอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยมันยังเด็กอยู่ไปเอากลับมาจะเสียรถเสียกระ บ, บุงกระบะก็เอากลับมา รถกระบะคันหนึ่งเ่ยเสียไปเถอะเอาลูกกลับมาให้ได้เพราะไม่แน่เขาอาจจะเรียกนู่นเรียกนี่เนอะอ่ะจะเสียรถเสียอะไรให้ไปเถอะเอาลูกกลับมาให้ได้สองคนเนี่ยเอามาแล้วมาส่งเรียนศาสนามึงจะไม่ดียังไงก็แด้แต่แต่มึงต้องให้ลูกมึงดีให้ได้มึงจะขีเ่เมาจะเละเทะไงต้องให้ลูกดีฉันพูดกับมันนะนะเพื่อนกันสุดท้ายก็หมดจริงๆนะหมดกับบงกระบะไปคันหนึ่งนะเอาลูกกลับมาพอลูกกลับมาฉันก็บอกว่ามึงสอนไม่ได้หรอก นายังเอาตัวไม่รอดเลยทรงเรียนหนังสือเรียนเรียนศาสนาเอาโรงเรียนที่เขาว่าเต็นงวดที่สุดนะไปเรียนได้ไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยงานเข้าเลยทําไมอ่ะยอมันกลับมันจะทํางานครอบ ป, ประตูลูกไม่เปิดลูกไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าไอ้ ย, ย่อก็บอกย่อเองจ้าย่อเองทํำไมไม่ให้เข้าแล้วลูกก็ย่อไม่ให้สลามถ้ายอ่อให้สลามฉันจึงจะเปิดอ่า มีด้วยลูกก็ไ ป, ไปย้อนให้ อ, อมะมัวอะไรกูครั้งแรกที่พ่อได้สัมกับคนตั้งแต่เกิดมาพึ่งเข้าสารคครั้งแรกเพราะลูกเป็นคนบอกเสียกระบะไปคันหนึ่งคุม้มไหมเออได้ลูกกลับมาที่ดีแล้วหลังจากนั้นนะมันเรียนเหมือนกับลูกมันเลยดูองค์ดูอาตื่นนอนดูอาเฮ้ยมีหมดเลยเหรอ มันเข้าใจว่าคนน่ยสมัยก่อนเข้าใจรู้ไหมคิดว่าดูอาเนี่ยต้องให้ตตอิหมาบมาอา่านแล้วต้องเป็นเรื่องใหญ่นะจะมาขอเรื่องเล็กๆมาขอไม่ได้ต้องนูน่นเดินทางไปต่างประเทศไปทำมักกะอามาอ่านด้วยหน่อยดูอาก็หน่อ ย, อากกอยมาอา่านกุฎอ่านก็หน่อยคือมองว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆถึงจะเชิญคนมาแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆนะ่ยดูอาแม้กระทั่งกินข้าวนี่ยังมีดูอาเลยข้าวออกบ้านก็มีดูอาดูอาเนี่ยมันถูกกากับอยู่แล้วแต่ไปมองว่าดูอาเนี่ย ให้กับโพโตอิหมั่มเขาอ่านแล้วเราอาหมีอย่างเดียวอ่านี่มันเป็นคนเข้าใจแบบนี้จริงจริงอ่าถามตัวเองขอไม่เคยเลยขอหรอกแต่อาหมีอย่างเดียวอ่าแต่ชอบเนะี่ยใครไม่ขอบ่นเลยไม่ขอแต่ตัวเองไม่เคยขอเลยอ่าอาหมีอย่างเดียวเซนก็เลยบอกว่านี่แหละพอพอได้เพื่อนสอนซึ่งมันเรีย น, นด้วยกันเน่ยเซนก็อบอกกับมันว่าเอาลูกกลับมาทุกวันนี้ลูกทำดีลละนะก็ ดีเลยแหละครับก็ดีเลยได้ฟังมาเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกับยาใจให้กับโตโตกับกีเขาคือคนเราเนี่ยมันเสียใจไปแล้วตอนลูกเนี่ยอย่างน้อยอย่าให้เขาเสียใจกับหลานอีกได้ไหมบางคนเนี่ยเสียใจกับลูกทุกข์ทมแล้วมาเสียใจใครอีกหลานอีกกระปวดหัวอีกอย่างน้อยลูกมันจะเกเรอย่างน้อยมันก็มีหลานคอยที่จะคอยเป็นยาใจบ้างนะแต่เชื่อเธอว่า พ่อเนี่ยถ้าเห็นลูกทําความดีเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรล่ะเป็นอายเหมือนกันนะเห็นเด็กละหมาดอายอนั่งเฉยๆมันอายแต่ตรงกันข้ามถ้าถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าพ่อทําเนี่ยลูกไม่อายจริงไหมพ่อทําลูกจะยังไงไม่อายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกทําเนี่ยพ่อก็จะอายมันต้องเปลี่ยนแปลงตรงลูกนี่เลยนะเออแต่ที่จริงมันต้องไล่ลาดับคือเปลี่ยนที่พ่อแล้วก็ไปที่ลูกเออ ดังนั้นการให้สลามอย่าให้สลามเฉพาะคนข้างนอกบ้านนะให้สลามคนในบ้านให้สลามมะสลามปา๋าสลามลูกของเราให้สลามนะครับผมเนี่ยไปรับลูกด้วยตัวเองเนี่ยดีใจปลื้มใจเวลาลูกขึ้นมาอัสลามวอะไรกุ้มบาบาจูบมือเราด้วยโอ้โหเออมันชื่นใจนะจะเรียกค่าเทอมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรลูกจะยอมยอมหา นะชื่นใจนะส่งลูกเรียนศาสนาแล้วก็ลูกก็ได้กลับมาได้ทำด้วยนะครับอ่ะอีกสักหน่อยละกันนะแป <c oughs> จบที่90ละกันเนาะอยากไปป่ะเนี่ยอูบิลเลหิมินาเชตอเนโรจิฟามาลกุมฟิลโมนาฟีกีนาฟีอตาตัย والله أركسهم بما كسبوا อามีมมีมตายพบบาขอมาอัฟทีนะมีมตายพบบาลงเสียงด้วยอ่าเลยขอโทษที والله أركسهم بما كسبوا อัตุรีดูณาอัตตาดูมันอัลบัลลอฮฺว่าไม่ยุด ลิลล له فلن تجد له سبيلا و ไม่ลิล له فلن تجد له سبيلا ودولاك ฟูรูนกแม่กัฟรูฟะตะกูนุนัสวะ อันนี้อ่านหยุดสวาวานะครับมีอออีกคำหนึ่งเนาะไม่ใช่สาวะนะสาวาวดูแล้วเต็มฟูรูนักะม่กะฟรูฟะตะกูนูน่าสาวา และจะถ้าขึ้นจากมันจะไม่ได้รับการช่วย ل หลือ วลุหว่าตุลหุมห้สวจตมุหุมว จ ต, ต่ัเลยนะ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ ที่น ي ่นย่ำซลุนไปแล้วก็มิมี م ครอยู่ในนั้น เาสิรัสสูดูรุหมไอยุกติลุคุมอายุกติลุเมหมราสุดูรุมไอยุกติลุคุมอายุกติลุเอมะหม و َ ل ل ه الله لا سلطهم عليكم ف ل َ ق ا ت ل ُ م والله الله لا سلطهم عليكم فلا قاتلكم ส ل ا م ถุม فَفَيْنِ تَزَلُّوْكُمْ ف َ ฟ ل َ م ْ يقاتلكم و أ ل ك و ْ إليكم السلام อีกรอบหนึงนะฟาอิน ي اعتزلوكم ฟ ل ล م ْ يقاتلكم و أ ل ك و ْ إليكم السلام ฟาอิน ي فما جعل الله لكم عليهم سبيل ا فما جعل الله لكم عليهم سبيل ستجدون آخرين يريدون أي มนกไดวิดแลอ้าวยามนลลยกมุิดลอมนกุลมุ่ดแอละ ِุล ال ى ا มْรุดْ ن อ ة ลลُลฟิทหนะติอَุ ا กُ ل َฟ م َ ا ر ุดُّ فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام فإن لم, لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام ويكف ฟูอิดเหมฟาคุคุดุห์มฟาคุดุห์มฟาคุคุดกตลหมฮสสัก ตูมฮมว่กูรูฮมว่กูรูฮมให้สุสัทธิ์กูรูฮมว่าอุลัยคุมจะเอลนาละกุมอะลเลิมสุลตนัมโมบีนา มาดูความหมายนะกระชับนะครับฟามาละกุ้มฟิลมูนาเฟกีนฟิอาใจมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหรือที่พวกเจ้านั้นได้กลายเป็นสองพวกนะพวกเจ้าได้กลายเป็นสองพวกในเรื่องของพวกที่กลับกอกเหล่านั้นว่าลอหอารุกะกะสาฮุมบิมากะสาบูและอัลลอ์ก็ได้ทรงให้พวกเขาเนี่ยกับสู่สภาพเดิมแล้ว นเนื่องด้วยที่พวกเขานั้นได้กระทําเอาไว้อัตุรีดูนะอันตะดูมันอนดอลละลอนะพระเจ้าต้องการจะแนะนําผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เขาหลงผิดไปแล้วกันนั้นหรืออัดลดอนลลอจะแนะนําบุคคลที่อะไรอัลลอฮ์ทำให้เขานั้นหลงผิดก็ น, นั้นหรือว่าไม่ยุตลิลลัฮูฟะลันตะจิดละลัฮูสบีลา ผู้ใดที่อัลลอ์ทรงทาให้เขาหลงผิดเจ้าก็จะไม่พบทางออกใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาด อ, อายะนี้ทีละอาย่านะใจเย็นประการแรกเลยก็คือว่าอัลลอ์ทรงตาหนิการขัดแย้งกันของเหล่าซอบาที่เกี่ยวข้องกับมูนาฟิกอ่าคือหมายถึงซอบาเองนะที่มีความเห็นแตกต่างกันไปแบ่งไป็สองกลุ่มเกี่ยวกับพวกมูนาฟิกในสงครามอุฮุดที่มันพาคนกลับไป อัลลอฮ์ทรงตําหนิผู้ศรัทธาที่มีความแข็นเข็นขัดแย้งกันในเรื่องของมูนาฟิกีนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะส่วนสาเหตุความแตกต่างกันเนี้ยอิหม่ามอามัดได้บันทึกเอาไว้บอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งออกไปพร้อมกับท่านแล้วก็กลับไปนะและในเรื่องนี้บรรดาสาวกของท่านอสูลก็แบ่งออกไป็สองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งเห็นว่าให้ฆ่าพวกเขาเสียยังไงก็ต้องให้ฆ่าไอ้พวกเนี้ยโปรนาฟิก าหายไปเลยส่วนฝ่ายที่สองก็บอกไม่ควรฆ่าไม่ควรที่จะไปฆ่าเขาและอัลลอฮ์ก็ทรงประทานกุรอานตรงนี้ลงมานาบีบอกว่าไงอินตอีบะรู้ไหมว่าเมืองมาดีนาเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือเมืองตอยบะเมืองมาดีนานมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเมืองตอยบะอินฮาตันฟีอัลคบัสเหตุที่ชื่อว่าตอยบะเนี่ย เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่จะกลั่นกรองและคัดกรองสิ่งที่ส่งกระปกออกไปกามายันฟีอัลกิบรูคอบัเซนฮัดีสเสมือนกับเครื่องเป่าลมที่คัดเอาเศษสงกระปกออกจากเหล็ก <c oughs> <c oughs> เหมือนกับเวลาตีเหล็กนฮะแล้วมันจะมีตัวเป่าให้มันพกสนิมพวอะไรเนี่ยมันกระเด็นออกไปก็บอกว่าก็แสดงว่าไม่ได้ประหารนะ คนกลุ่มนึ่งก็สั่งสั่งให้ท่านอบีกลับไปแล้วกับทหารพ ม, มุนาฟิกสามร้อยคนที่หนีกลับไปะนะแต่อาบีบอกว่าเดี๋ยวสถานการณ์มันจะกันกองและคัดไอ้พวกเนี้ยออกไปเองอไม่ต้องไปลงไม่ต้องไปเสียแรงนะก็เดี๋ยวมันก็จะถูกคัดกองออกไปเองก็ก็พูดจริงๆนะว่าคนเราเนี่ยจะรู้ว่าใครจริงหรือหลอกเนี่ยเดี๋ยวระยะเวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ อย่างพวกเราเนี่ยทํยีราเรียนกันมาเป็นปีแล้วนะพิสูจน์ได้แล้วไม่หายไม่หายจากกันไปแล้วยังมาเรียนกันอยู่ อ, อีกอันหนึ่งเนี่ยอัลฟาอีก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของพวกคนที่มักกะคือคนที่ชัดเจนเลยก็คือเขาก็จะกลับมากลับมาไหนเขาก็จะมาที่อพยพมาอยู่เมืองกานาบีแต่บางคนเนี่ย ทำเป็นอยู่กับพวกกุฟฟาสเนล่ะนะแล้วพอได้สบโอกาสก็หนีมาอยู่กับนบีพออยู่กับนบีก็ว่าพวกนูน้นว่าพวกกุฟาสเนี่ย น, นะโอ้ยมันไล่มันเวลวไล่อย่างงั้นนะแต่พอคาใดที่หนีกับไปไปอยู่กับพวกนูน้นก็ว่ากลุ่มนาบีนี่กับมูนาฟิกเหมือนกันซอบาก็มีความเห็นเมื่อสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือส่งคนไปฆ่าหมดเลยพวกเนี้ย ส่งคนไปคายบนเลยไอ้พวกอยู่กับไอ้คนหนึ่งก็บ่อยคนหนึ่งไม่ดีอยู่ไอ้คนนึงก็บ่อยนี่ไม่ดีอแ่าสองฝ่ายเลยนะอ่าแล้วก็รกับอกต่อนะว h a t do l a u t a ู furu n a มาก m a kafaru fataku nu n a s a พวกเขาเนี่ยชอบ หากพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาชอบที่จะให้พวกเจ้าก็หมายถึงพวกที่เป็นผู้ศรัทธาผู้มุสลิมเนี่ยปฏิเสธศรัทธาดังนั้นพวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าก็จะได้กลายเป็นผู้ที่เท่าเทียมกันคือประสงค์ก็คืออยากที่จะให้คนมุสลิมเนี่ยละทิ้งการศรัทธาเพื่อที่จะได้เท่ากันไงก็กลายเป็นเหมือนกันแล้วเป็นพวกที่ปฏิเสธเหมือนกันดังนั้น จงอย่าได้ยึดเอาผู้ใดในหมู่พวกเขาเป็นมิตรจงอย่าได้ยึดเอาผู้ใดเหนือเขาเอาเลี้ยเป็นมิตรฮัตตายูฮาจิรูฟีซาบีนิละ่ะจนกว่าเขาจะอพยพในหนทางของลอเสเอก่อนก็มันเก็ตียนบอกอะถ้ายอมที่จะละทิ้งทิ้ ง, งมาเล ย, ม า, เลยมาอยู่กับานาบีเลยแต่เหมือนกับเป็นสองกั๊กมาเหมือนกันจะพักนึงกักลับไปอยู่ทางนูน้นแล้วก็ทำดีกับพวกนูน้นแล้วก็ประมาณนี้ อย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นนกสองหัวนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ฝั่งไหนมันอยู่กับเรามันก็ไหวนุ่นไม่ดีมันไปอยู่กับไอ้นูน่นมันก็บอกบเราไม่ดีนะฟะอินตวะวันลาฟะคุรูฮุมวะกตูรูฮุมไฮซุวาจัตตุมูฮุมอ่าดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าแต่ถ้าหากพวกเขาผินหลังให้ก็ให้จับเอาไว้และก็สังหารเขาได้ณนะที่ใดที่เจ้าพบ อ่าอันนี้เขาเรียกไส้ซึกอ่าไส้ซึกพอปล่อยกลับไปก็เป็นภัยใช่ไหมเจอไส้ซึกเนี่ยมไม่มีหรอกที่เขาจะปล่อยกลับไปเพราะปล่อยกลับไปมันก็ไปรายงานข่าวหมดเลยก็ต้องประหารชีวิตอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฟังแบบนี้เหมือนโ oh, อ oh, oh, oh, oh, right ้โหโหดร้ายจังเลยเจอเรื่องฆ่าก็ในภาวะของคนที่มาเป็นยาซูดมาไส้ซึกมาปลอมตัวเข้ามาเนี่ยเวลาจับได้จะทำไงปล่อยกลับไปเพราะปล่อยกลับไปมันก็ไปรายงานหมดเลยเป็นแผนหมดเลยก็ต้องประหารเป็นเรื่องปกติเจอ เจอพวกสายซืบหรือพวกอะไรล่ะไม่ใช่ใชะพวกอะไระนะพวกไพพกลวงความลับเนี่ยมันก็จะต้องจัดการนะเอาแล้บอกต่อวะ่ะและจงอย่าให้ใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรและช่วยเหลือพวกนี้เป็นอันขาดต่อมาอายะทีก้าสิบนอกจากบรรดาผู้ทีต่ติดต่อกับกลุ่มหนึ่งนะ อันนี้นอกจากนั้นนะกลุ่มหนึ่งซึ่งระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขานั้นเป็นพันธมิตรกันอยู่อันนี้กรณีที่มีสัญญากันรู้แหละที่มาเนี่ยมาในตัวแทนของสัญญาอาจจะมาจากฝ่ายศัตรูก็ได้แต่มาเพื่อที่จะมาเจรจาสัญญากันมาปณีปนอมกันไม่ใช่ว่าจับปึ๊บมาฆ่าเขาเลยไม่ได้เขาส่งหนังสือมาเพื่อที่จะมาขอเจรจาปณีปนอม เราจับไป็นไงตัดคอเลยนี่ไม่ได้นะผิดเขาเดียวผิดทางการทูดใช่ไหมสตูนั่นแหละแต่มันมาเพื่อที่จะมาขอเจราจาซึ่งต่างกับอันบนอันบนเนี่มันไม่ได้มาเจราจามันเข้ามาสืบความลับเอาความลับเราไปบอกไ อ, อย้ยางงี้เจอที่ไหนต้องคาเลยนะอ้าวต่อมาหรือบรรดาผู้ที่มาหาเจ้าโดยที่หัวหกของเขาเนี่ยมันอัดอั้นต่อการที่เขาจะสู้กับเจ้า มันมีอยู่ตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลขอหาก่อนนะตระกูลบนัลบนีฮาชิมตระกูลบันีฮาชิมเข้าร่มรบกับสมรภูมิบดัดด้วยในนั้นนะ่ะมีปู่ของนบีคนหนึ่งชื่อวอับบาสอับบาสอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะแต่เหตุที่ต้องมารบเนี่ยไม่อยากจะรบเลยเพราะทาไมมาไอ้นู่นมันก็เล่นงานมาทางนี้ก็ พวกเดียวกันทั้งนั้นเลยคืออยู่ในภาวะที่ไม่ได้อยากจะมารบแต่มันปฏิเสธไม่ได้เพราะไม่งั้นก็ถูกเล่นงานเหมือนกันถูกบังคับมานะ่ยถามว่าอยากจะมารบไหมมีความเครียดแค้นกับมุสลิมไหมไม่มีเลยและสุดท้ายธนาคารรับอิสลามนะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยท่านท่านก็ยังไม่สามารถที่จะประกาศตนได้อย่างชัดเจนแต่ยังอยู่ในสงครามโอดัดอยู่แต่ถามว่าอยากจะรบไหมไม่อยากรบเลยแต่ที่มาก็ถูกไอ้พวกนี้แหละบังคับเกณฑ์มาอีกทีหนึง่ง ไอ้อย่างเงี้ยให้ฆ่าเขาไม่เนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้จับเอาไว้ก็ปล่อยหรือเขาอาจจะรับอิสลามก็ได้เพราะหัวใจเขามดอยากจะรบกับเราอยู่แล้วเห็นไหมแอนถึงไหนแล้วเนี่ยยาวเหมือนกันนะ <c oughs> เออในหัวอกของเขาเนี่ยอัดอั้นที่จะสู้รบกับเจ้าหรือสู้รบกับกลุ่มชนของพวกเจ้าของของเขาเองเนี่ยคือจะสู้กับเขาเองกับสู้ไม่ได้ กำลังไม่มีะนะอยู่ตรงกลางจะมาสู้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่อยากจะรบกับใครทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นเหมือนก็คู่โกรธแค้นกันคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อจับได้แล้วหรือเขายอมแล้วก็ให้ปล่อยเขาไปอย่ า, อ ย, าอย่าเอามาสังหารคือซึ่งต่างกับคนที่เป็นศัตรูโดยโดยโดยสัญชาติญาณเลยไอ้ น, นี้ปล่อยไปก็มันก็มาสร้างความเดือดร้อนมันก็มารบอีกนะก็ยิง่งต้องต้องก็ให้มีการประหารชีวิตนะนี่คือในกุณอ่านได้บอกเอาไว้ ต่อมาและหากว่าเอาลอปประสงค์แล้วแน่นอนก็จะให้พวกเขาเนี่ยมีอํานาจเหนือพวกเจ้าแล้วนะแต่พวกนี้เขาก็ไม่มีอํานาจไงสุดท้ายเขาก็ต้องทําตามโดยที่หัวใจเขาไม่อยากจะมาสู้แน่นอนพวกเขาก็จะสู้รบกับพวกเจ้าแล้วด้วยแต่พวกเขากับแต่พวกเขาออกห่างพวกเจ้าโดยที่ไม่ได้ทําการสู้รบกับเจ้าและได้เจรจาปณีปนอมกับพวกเจ้าแล้วไซเอาลอปก็ไม่ทรง ให้ทางออกใดๆในการที่จะขจัดพวกเขานะในการที่เจ้าจะขจัดพวกเขาได้อายะที่เก้าสิบน ะ, ะ ส, สรุปแล้วกันนะฟังภาษามันจะงงก็คือนั่นแหละอย่างที่ฉันนำเรียนนั่นแหละว่ามันจะมีศัตรูอยู่สองแบบ ที่มาในกองทัพหนึ่งก็คือศัตรูที่พกความเครียดแค้นมาเลยคือปฏิญาณตนเลยว่ายังไงก็จะจะจงร้าง จ, จองล้างจอนผานกับอิสลามไออย่างนี้เจอที่ไหนต้องสังหารนะปล่อยไม่ได้ปล่อยไปก็ไปสร้างความเดือดร้อนแต่อีแบบหนึง่งพิจารณาดูเขาไม่ได้เป็นคู่สงครามอะไรเขาก็จิตใจดีแต่ถูกเกณฑ์มาอีทีหนึง่งถูกบังคับมาอีทีนึงไอแบบนี้ให้ทางออกเขาเลือกซิว่าเขาจะทํำยังไงจะกลับไป ถ้ากลับไปต้องไม่มาแล้วนะไม่มาสู้แล้วนะหรือจะมาอยู่กับเราจะมารับอิสลามจะมาอยู่ก็ให้ทางออกเขา<ห>อะลแล้วก็ให้สัญญากันไว้เพราะจำได้ฉันเคยเล่าอีกครั้งหนึง่งว่าในสงครามบาดัตมีชายคนหนึง่งโดนจับนะแล้วเขาก็บอกว่าเขามีลูกสาวเต็มบ้านเลยถ้าเขาถูกประหารไปนี่นะลูกสาวเขาจะหาอะไรกินละ่ะเนี่ยป่านี้ก็หิวเลี้ยนะก็เลยนบีก็เลยให้สัญญาบอกว่าได้เดี๋ยวปล่อยไป แต่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมารบแล้วนะต้องไม่ยุ่งอะไรกับกองทัพมุชติกีเลยนะไม่รบแล้วได้จ่ากลับไปอูฮุดไม่แล้วมารบอีแล้วโดนจับอีครั้งพอโดนจับอีครั้งหนึ่งก็บอกเหมือนเดิมเลยลูกสาวรออยู่อ๋อลูกสาวรอเลยตัดคอไม่มีแล้วหลอกนะถูกหลอกนะครับนนี่ก็ตัวอย่างเพราะว่าผิดสัญญาด้วยเรื่องของเรื่อง น, นะแล้วก็9กบเ พวกเจ้าจะพบพวกอื่นอีกโดยที่พวกเขาปรารถนาที่จะให้พ้นภัยจากพวกเจ้าอ่าเดี๋ยวอ่านไปเลยนะพวกเจ้าจะพบกับพวกอื่นอีกโดยที่พวกเขาปรารถนาที่จะพ้นภัยจากพวกเจ้าและพ้นภัยจากพวกเขาเองนี่แหละคนเรานีแหละอยากจะพ้นภัยจากพวกนู้นและก็พวกใจพวกเราด้วยคราใดที่พวกเขา ถูกกลับถูกกลับไปไปสู่การตั้งพาคีพวกเขาก็จะถูกให้กลับไปอยู่ตามแนวทางเดิมดังนั้นถ้าหาพวกเขาไม่ได้ออกห่างจากพวกเจ้าและไม่ได้เจราจาปณีประนอมพวกเขาก็ให้ให้ไม่ได้ระ ง, งับและไม่ได้ระ ง, งับมือของพวกเขาแล้วก็จงจับเขาและก็ฆ่าพวกเขาถ้าจับมาแล้วไม่มีการทําสัญญาอะไรกันปล่อยไปก็ไปทําเหมือนเดิมอันนี้ก็ให้ประหารชีวิตซะ แต่ถ้ามีสัญญากันว่าเออปล่อยไปจะไม่ร่วมนะจะไม่มายุ่งแล้วอันนี้ก็ให้ปณีปัตนอมกันนะแล้วก็ชนเหล่านี้แหละเราได้ให้มีอํานาจอันชัดเจนแก่เจ้าที่จะขจัดพวกเขา <c oughs> คือเหมือนกับมันอยู่ตรงกลางอะ น, นะหนึ่งเป็นตระกูลที่ไม่ได้มีอํานาจอะไรถูกบีบทั้งหมดเลยมาสู้กับมุสลิมก็สู้ไม่ได้จะยอมไม่ออกรบไอ้พวกนี้ก็เล่นงาน เกินไม่เข้าคายไม่ออกแต่เมื่อจับได้แล้วก็ให้มีสัญญากันว่าเฮ้ยคุณต้องไปมาร่วมแล้วนะหรือมีสัญญาปณีปานอมกันแต่ถ้าเกิดยังดื้อด้านอยู่หรือบอกว่าฉันกลับไปฉันก็ยังไปร่วมเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้ก็ให้มีการประหารชีวิตนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของสงครามะนะในสมัยก่อนนะครับก็จะเห็นว่าในกฎเกณฑ์ของศาสนาของเราก็วางกฎวางระเบียบเอาไว้ไม่ใช่ประหารดะอย่างเดียวกับประหารหมดไม่ใช่คนนี้เขามายอม มาเป็นมิตรมายืน่นไปตีอันนี้ก็ต้องเจราจาปนีปนอมกันนะครับและการเจราจาปนีปนอมนั้นก็ถือว่าเป็นหนทางที่ดีเพื่อที่จะรักษาชีวิตเอาไว้เพราะาเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยคนที่เป็นศัตรูบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมิตรก็ได้หลายคนเนาะเป็นศัตรูกับอิสลามพอศึกษาอิสลามไปศึกษามากลายเป็นมิตรขึ้นมาแล้วกลายเป็นคนที่ทําคุณงามความดีขึ้นมาก็เป็นไปได้ว่าหลอกอ้าล้าลำครับ سبحانك اللهم أ َ ب m ي ه ِ م ْ ل ِ ك َ أ i ش a د ُ و َ ا ل إ ه ِ إ ل ا أ ن ت س ت ف ِ ك ا ت ُ و ب ُ ل س ل ا م ع ل ي ك ُ م ْ ر َ ح م ة ا ل ل ه ب ر ك ا ت